กวามนิยมที่ทำทุกท่นวันนี้เราก็จะได้ความทรรนะเพื่อจะได้เอาไปปฏิบัติธรรมนะพวกเราที่จริงพวกเราเป็นคนไทยนะเราอยู่ในเมืองไทยถือว่าเราค่อนข้างโชคดีมากโนะชอดีที่ เราสามารถศึกษาธรรมะหรือเรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเนี่ยถือว่ามีเยอะนะมีเยอะอย่างจะมาอาเกี่ยวข้องโนทีมีคนจีนมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาศึกษาธรรมะที่เมืองไทยเราเห็นเลยว่ามันก็ยากกว่าคนไทยเยอะเพราะว่ามันต้องพากัน แปลจากล่างนะหรือรบางทีสัต์บางสัตว์ที่เป็นภาษาธรรมะบางทีก็ก็แปลยากนะบางสัตว์ก็อานคำที่ตรงๆก็อายากแตนกราเราเป็นคนไทยเนะี่ยเราฟังภาษาไทยเนะข้าใจนะเราอ่านได้นะอันนี้ก็ถือว่าเราก็มีบูญรากานนะองนะ บางคนคิดว่าอืเราเป็นคนไม่มีบุญนะแต่บางทีเราคิดว่าคือเราไม่เข้าใจาว่าบุญคืออะไรนะหรือบางทีเราคิดว่าเราคงศนะึกษาธรรมะไม่ได้หรอกเราคงไม่สามารถรู้ธรรมได้หรอกนะอันนี้ก็เป็นการคิดแบบดูถูกตัวเองนะนะที่จริงคนทุกคนเนยะมีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะได้ เหนอการที่จแกรังรู้ทำได้นะโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนไทยเนะี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากแต่ไม่ใช่เพียงคนเช่นนี้เขาจะไม่มีโอกาสนะมีมีเหมือนกันแต่เหตุปัจจัยข้างนอกอัจจะอาจจะยากกว่าคนไทยหนระือถ้าเราจะมองจริงๆ ม, มีเหตุปัจจัยข้างนอกกับเหตุปัจจัยข้างในเหตุปัจจัยข้างนอกพวกเราเนี่ยค่อนข้างพร้อม เรามีหนังสือธรรมะเยอะมากเรมีสื่อธรรมะโดยนิทรรศออนไลน์ก็หาได้ไม่ยากเรามีวัดวาอารามมีโกบาจาร์ที่สอนธรรม ะ, ะมันก็มีเยอะที่ท่านได้สัมผัสไปแล้วเราก็อาจจะหาอ่านหาฟังได้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังไปก๊กไปฟังธรรมไปถามก็ยังได้เนี่คือความโชคดีของเรานะี่ เรามีเหตุเรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมเรมีสถานที่สแสดงธรรมมีเยอะนะอันนี้คือพวกเรามีเหตุปัจจัยข้างนอกเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่ปัญหาจริงคือเหตุปัจจัยข้างในแรงจูงใจข้างใน <c oughs> เหตุที่ตัวเราเองเนี่ยแหละเราจะขนฟายเราจะมีความข ย, ยนนะันอดทนเราจะมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าเนะี่ยมัน นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเหมือนที่เราสวดวสักครูนี้นะพระพุววทธเจ้าบอกว่าตถาคตก็คือท่านแทนแต่เองว่าตถาคตเนเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ต้องทําเองนนเี่คือหรือท่านบอกในบทก่อนนั้นนัะว่าอตถาคตนะครับใส่ความเอ็นดูในการสั่งสอนนอะ เพราะเธอท่านใก็ตะเนองไปทําความเพียรกันเถอะนะตามป่าตามเขาตามที่สงบสงัดนะก็ไปทําความเพียรกันเหตุปัจจัยข้างในของเขาเนี่ยแหละนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเหตุปัจจัยข้างนอกของพวกเราเนะี่ยมีความพร้อมนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมีความตั้งใจนะีศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าเนะี่ยมันอยู่ที่เฉพาะตัวนะ เมืนะ่อวานเนี่ยก็ได้คุยกับโยมนะเดีนะยวเขาต้อมาพคุยธรรมะด้วยเขาบอกนยะแม้ร่างกายไม่ค่อยสบายแต่สิ่งที่เขาตั้งมั่นแน่นอนนะคือเรื่องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าจะถามว่าม า, ากขนาดนเขบอกว่ามันไม่มีประมาณศรัทธานในพระพุทธเจ้านะ เราก็ถามไปเองว่าเราเหล่านี้มากขนานนีน้เขาบอกว่าไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณคือไม่สามารถจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้นะแต่มาว่าอันนี้ยคือจะเรียกว่าเป็นอริีเยสพั์ก็ได้นะเป็นทรัพบภายในที่เขามีแล้ะซัพย์ภายในที่เขามีในชาตนี้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะ มันก็จะส่งผลต่อไปแม้ชาตินี้อาจจะยังไม่คทุกแต่มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ในชาติต่ อ, ตอไปก็อาจจะทําให้เขาได้มาพบกับคําสอนพุทธเจ้าก็ได้นะมีศรัทธาที่ตั้งมัน่นแบบนะี้ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้นะครับก็เราศรัทธานะ่ศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ว่า เจอพระที่ไหนก็กราบนะก็ไหว้ก็ปิดทองนะศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นนะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจริงนะสิ่งที่รูุ้เจ้าท่านค้นพบก็คือความจริงที่สุดส น, นะก็ะเชื่อมั่นและคำสอนที่ท่านสอนเนะ่เป็นทางที่ทำให้ทาได้จริงนะทำให้เราออกจากทุกข์ได้จริงนะ อันนี้คือศรัทาต่อระพุทเจ้านะอาจจะไม่ใช่ว่าแต่บางทีมันมีในพุทธประวัติอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นอาจจะมีพระเจ้าบางเวอร์ชั่นจะมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากบางเวอร์ชั่นก็เป็นเหมือนธรรมดาธรรมดาบางเวอร์ชั่นก็มีประวัติมากมายแต่จริงถ้าเราเชื่อว่าในโลกนี้เนาะ มีเวลาผ่านไปอาจจะแก่นดาวเพราะห์ดวงนึงนะไม่รู้กี่กี่พันล้า น, านปีนะนะที่เกิดมาแต่จะมีผู้เป็นเจ้าขีพระองค์มาตัดสรูุนะี่ล้วก็มันก็ไม่รู้ชัดเจนขนาดนั้นนะแต่รู้แต่ว่าเมอ 2,000 กว่าปีเนะี่ยมีพระเป็นเจ้ามาตัดสรูุนะีนะ่เราก็เชื่อว่ามันมีจีนนะมันมีจีน นะคําสัมสอนที่พระพุทธองค์ท่านค้นพบ ก, ก็คือความจริง น, นะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเราก็ได้ผลจริง น, นะนี่คือเรามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้านะไม่หวั่นไหวนะฮะไม่หวั่นไหวเรามีศรัทธาต่อพระธรรมหรือเปล่าศรัทธาต่อพระธรรมคือการเคารพพระธรรมเคารพพระธรรมในที่นี้นะในหลายอย่างเช่นตอนนี้นพวกเราพวกเราก็เคารพพระธรรมนะ เช่นอตาตมาแสดงธรรมนะผู้ธรรมะอยู่พวกเราก็เคารพใยการตั้งใจฟังคือกาเรเคารพรฐมนะแต่บางทีถ้าบางคนหรือบางที่นะเวลาพระเทศเนี่ยก็คุยแข่งกับพระบางทีก็นั่นก็คือการแสดงความไม่เคารพพัตรรมนะนะชินในการฟังพระเทศนะเช่นโดยเฉพาะอย่างกระดา มีงานศ่งหมือนนะโยมบางทีไม่ค่อยอยากเทศอะไรเคือ<ม>เวลาเป็นปงานศงเนี่ยมาขึ้นทำ ม, มาเทศแต่มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังเทศเขาสนใจที่จะคุยกันนะแต่เราก็อาศัยอ่ก็ไม่ได้นสนใจคนที่คุยกันนะก็สนใจคนที่ตั้งใจฟัง ก็มีว่ถึงขึ้นหนึ่งหลักนะที่ตั้งใจฟังนะมันก็ก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแย่แคนไม่ดีอะไรขนาะนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเครารพพระธรรมนะไม่ว่าจะคนแสดงธรรมจะเป็นใครเราจะศรัทธาหรือเปล่าเนะี่ยมว่าไม่สําคัญแต่ถ้าสิ่งที่เขาแสดงธรรมเนะี่ยคือทำมาแม้แต่บางทีในโบราณนะก็ให้ พระเนียนอ่านอ่านจากหนังสืออานจากโวลาณให้ญาติโยมฟังหนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยก็ได้ไประโยชน์นะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีนะเวลาภาษาโลกท่านแสดงธรรมพอพระพุทธเจ้าจะ เ, เข้ามาเนะี่ยท่านจะหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูฟังฟังภาษากแสดงธรรมหรือถ้าพระโต้งก็เติรนเข้ามาบางทีคนจะ เป็นสนใจพระพะองค์ท่านเดินเข้ามาคนก็จะเอาใจออกไปจากพระธธรรมที่กาลังตั้งใจฟังอยู่ไปสนใจรู้ใจเจ้าพระพุทองค์ก็ท่านก็รู้ท่านก็นก็เคารพในการตั้งใจฟังอยู่สงบก่อนสาวกแสดงธรรมเสร็จก็ไปเดินเข้ามานี่คือการเคารพพุทธธรรมในในรูปแบบหนึ่งนะซึ่งการเคารพพุทธธรรมในที่นี้ถ้าเรา ถ้าราดืดด่ีที่จริงแม้แต่บางทีไม่ใช่ว่าเคารพประธรรมคือต้องแสดงความจับตาบางทีเพื่อนเราหรือว่าคนธรรมดาหรือแม้เเ่สเด็กเนะเขาพูดอะไรที่เป็นธรรมนะถูกต้องนะเป็นธรรมเป็นความจริงเนีเราก็เคารพะนะแม้แต่บางคนที่บางที บางคนเขาชี้จุดอ่อนของเรานะี่ยอาจจะเชิงเป็นการตาหนิเป็นการวิจารณแต่ถ้าคนที่มีปัญญานะมีใจที่เที่งธรรมนะเออเขาพูดถู ก, ข ก, <c oughs> ขกเขาลบเขาลบเขาน่ายอมรับนะไม่แก้ตัวน ะ, ะเราผิดจริงเราก็ยอมรับว่าผิดขอบคุณที่เขาชี้จุดบกพร่องให้กับเราเนะนี่ยนี่คือการเขาลบก็ทำ คนที่มีจิตใจแบบนี้นะ่ะแต่เกิดการพัฒนาขึ้นไปเรนะื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครพูดถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นธรรมะเราเคารพเราศรัทธาเราทําตามนี่คือการเคารพบัตธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ีชแค่การบูชา ส, ว, ส, ว, ส, ว, ส ว, วดสวดบทนั้นบทนี้นะ่แค่นั้นนะไม่ใช่แบบนั้ น, น, นอีกส่วนหนึ่งคือการเคารพ ผสมฆ์นะผสมแบบนี้เรียกว่าเป็นพระสมสมุตินะโคนหัวนุ่มเหลืองน่ะเป็นผสมสมุทรแต่ก็เราก็ควรทำความเคารพนะนะอาจจะมีผสมในเมืองไทยอาจจะสงแสงลูกได้นะพระเนน่ะเยอะนนะแต่ละลูกอาจจะพลุดบติปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่เราก็คนทํความเคารพนะ บางทีบางทีชาวพุทธเราบางคนเราก็จะเคารพพระแต่เฉพาะคนที่เราศรัทธาแต่องค์ที่เราไม่ศรัทธาเราก็ก็ไม่ไม่เคารพเลยก็มนะีแต่มาว่าถ้ามองในแง่แง่ในการฝึกตัวเองว่าจริงๆนะการที่เรารู้จนะักเคารพตามสมมุติน่ะมันคือการลดคิดผิดมานะในตัวเราอ่ะอืม การที่เรากราบไหวนะ้นะตามสมมตินะว่าท่านเป็นพระนะมันก็คือการลดอัตราตัวเราเองเนะนะอีกส่วนหนึ่งมันก็ทําให้ท่านเตือนตัวเองว่าขนาดนี้นเรามีส ม, มมติเป็นพระมีคนการาบไหว้มีคนศรัทธาเราจะทําตัวแบบไหนให้ให้ไม่เสือ่อมเราจะพัฒนาตัวเองแบบไหนให้มันดีขึ้นแบบนี้มันจะดีกว่านะ ดีกว่าการที่บางทีพอเราไม่เคารพท่านก็เลยเหมือนรู้สึกโยมก็ไม่สนใจละอยากจะทําอะไรก็ทําอำนะมันเกิดประโยชน์ท่องตัวเราเองด้วยประโยชน์ต่อก้นอื่นด้วยนะมันมีหลายอย่างนะ่ะที่บางทีถ้าโดยถ้าโดยเอาลักษณะสิทธิมามาเปรียบเทียบเนี่ยบางทีมั น, น, นก็อาจจะไม่ค่อยมันเหตุผลอาจจะไม่มีนะแต่บางอย่างพอเราได้ทํานะ มันเกิดคนดีอย่างจะมาเองบางทีวิ่ัยนะมันก็จะมีหลายอย่างที่มันละเอียนมากเช่นบางทีไปบางวัดนะเขาเก็มีการเรียกว่าล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์เนี่นบางทีครูบาอาจนะารย์บางลูกเราก็ได้ยินเสียงว่าท่านก็น่าเคารพนะแต่พอจะไปจะให้เราไปล้างเท้าให้ท่าน ปเป็นเช็ดเท้าให้ท่านเนี่ยบางทีใจมันก็ไม่รู้สึกว่ามันต้องทําระหนานนั้นหรอไร้นนะแต่พอไปลองทํำจริงๆเออมันดีนะมันดีคือเห็นใจตัวเองเนี่ยแหละที่มันรู้สึกว่ามันมันจะมีความแข็งนะเออแต่พอได้เปทำแล้วเออดีมันก็เห็นว่าอ๋อขนาดพระอาจารย์รูปนี้นะเราก็ เนี่ยมุสาไปหาท่านนะแต่เราทําแค่นี้ล้างเท้าให้ท่านเช็ดท้าท่านเนี่ยใจเราเังรู้สึกแข็งเลยเอาพอเราทําไปหลายวันใจก็อ่อนลงนะเออมันก็เห็นใจใจเองแบบนี้นะหรือแม้แต่บางทีครูบาจารบางรูปนะเวลาท่านไม่สบายเราเช็ดเราไปัุกษาเช่นเช็ดผุจันา ปัสสาวะที่เวลาท่านไม่สบายท่านอาจจะมีเนเพิ่บ้างนะหรือบางลูกเราก็ไปช่วยเหลือดูออแลท่านไปอาบน้ำไปเช็ดตัวให้ท่านนะมันก็เห็นใจตัวเองนะที่เออบางทีเราก็รังเกียจ น, นะถี่ขที่มนสกปรกอะใช่ไหมมันก็แต่มันก็ไดกแรก ม, มันก็เป็นมือนนะั้นแต่พอเราทำไปย ว, ไ ว, ไวมันทำให้เราอ่อนลน จิตใจนอ่อนลงนะมันก็ทําให้เราย้อนถึงเออบางทีถ้าพวกเราเป็นโยมนะมานก็คิดว่าถ้าถ้าเราเป็นโยมเออเราก็ทําแบบนี้กับพ่อกับแม่กับผู้ที่มีบุญคุณของเราก็ได้นะเออมันก็เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการขัดเกลาตัวเองด้วยส่วนนะ่งนะมาว่า อ, อื่นมันดีนะนะมันดี น, นี่คือการเคารพนะนะ การเคารพเพระพระพุทธเจ้าก็รำแล้วก็ผสมอาดมาว่ามันเป็นอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์อริยทรัพย์ภายในที่ถ้าใครมีมาว่ามันจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราทําให้เราเรียกว่าอะไรศึกษาธรรมะได้ได้มากขึ้นเนาะอย่างที่อย่างที่ว่าหนังสือธรรมะ ครูบาจะสถานที่ต่างๆเนี่ยในเมืองไทยของเรามีเยอะแต่เหตุปจัจจัยข้างในของเราที่จะไปศึกษาเนี่ยแหละมันมันมันมีหรือเปล่านะแปลว่าถ้าเรามีนะองค์เราสา ม, มารถที่จะศึกษาคนู้าเนี่ยมีช่องทางเยอะมากนะแต่ถ้าชาวตาาา่างชาตินะคจะยากกว่าเรานั้นเหตุปจัจจัยข้างในยของเราคืออะไรนะส่วนหนึ่งคือศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธานะแล้วก็จะนขนไคว์นะเราก็จะศึกษานะความรู้เข้าไปหาเนะน้นมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะบางคนอาจจะศรัทธาอาจจะยังไม่เกิดแต่มันอาจจะมาจากความอีกมขันคือนะตัวปัญหาคือตัวความทุกข์นะนะบางคนมีปัญหามีความทุกข์กค่อยเข้า เข้าวัดนะเข้าไปหาทรามพระสงฆ์เข้าเปหาธรรมะเพื่อจะแก้ทุกข์ก็ดีนะบางคนมีปัญหาก็ก็เข้าไปนะก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมาก็มีอันนี้ก็ก็ดีนะแต่บางคนมีปัญหาก็ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นก็ <c oughs> าอาจจะเป็นปัญหาที่ซ้ำหรือมากขึ้นไปเรื่อยๆก็มีนะแต่ถ้าใครมีปัญหนานะ ปัญหาข้างนอกเราก็ใช้ปฏิปัญญาแก้ไขด้วยะแต่ธรรมะเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ทุกข์ใจขณะที่แก้ปัญหานะอย่างอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกเราต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายการดูแลร่างกายเราก็ต้องรักษาตัวเองไปออกกำลังกาย เกินอาหารที่ดีนะรักษาโลกนะถ้ามันเป็นโรคไปทีใใ่เจ็บ ต, าตา่างๆแต่ส่วนหนึ่งนะคือการรักษาใจของเราเนี่ยให้ไม่ทุกข์ถ้าใจไม่ทุกข์เนี่ยมันก็มีส่วนทําให้ร่างกายเราไม่ทุกข์ไปด้วยก็จะเยอะนะโรคบางอย่างเนี่ยเป็นตอนที่เราเครียดนะพอไม่สบายใจพอเครียดนะไม่สบายเลย แต่พอหายจากความเครียดมันก็กลับไปเป็นปกติได้ที่มีนะหรือโรคบางอย่างแม้จะต้องรักษายากหน่อยแต่ถ้าใจสบายนี่ยก็รักษาได้ง่ายขึ้นอันนี้สื่อมันก็ช่วยได้นะแต่ถึงที่สุดก็ก็หนีไม่พ้นหรอกนะนะก็ต้องตายเลยตุวคนนึ่แหละแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยคือเราก็อยู่กับปัญหาได้นะโดยที่ใจไม่ทุกขนะ์เนี่ยเรามารถอยู่ได้นะ น, นี้บางคนถ้ามีปัญหากนะ็เข้ามาหา ธรรมะคราวนี้เราจะมาศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะศึกษาแบบไหนดีนะบางอย่างที่มาพูดไปเมื่อสักพูดเนะี่ยพูดแบบแง่ดีอยู่ที่เรามีวัดเยอะมีพระเยอะมีคำสอนเยอะแต่ในแง่หนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีไม่มีปัญญาเนะี่ยก็จะสับสนก็จะเลือกไม่ถูกเพราะมันเยอะมากเกิน ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรใช่อะไรไม่ใช่ น, ะนั้นติ่งนที่สำคัญคือเราต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะรู้จักพิจารณารู้จักก็ตองรูว่าอะไรอะไรควรอะไรไม่ควร่ืออย่างที่ว่าบางทีเรามีวัดเยอะเรามีพระเยอะเรามีหนังสือธรรมะเยอะแต่ถ้าจะพูดตรงๆนะ พระหรือว่าหนังสือหรือว่าตำราที่จะสอนให้สู่ความพ้นทุกข์จริงๆเนะี่ยมีไม่มากหรอกนะเนะี่ยหลายๆที่เนะี่ยสิ่งที่สอนไม่ใช่ธรรมะสอนแบบไสยศาสตร์ก็เยอะเนะี่ยสอนให้เป็นพึ่งเนะ่ึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งดวงแก้กรรมอะไรต่างๆเนี่ย ไม่ใช่คำกล่าวพุทเจ้านะ่ะนะพูดจริงๆนะถ้าเราไม่รู้จักนะเราจะไปแห่แล้วก็ไปติดอยู่กตรงนั้นเราคิดว่าเนี่ยคือพระคือพุทธนะแต่จริงไม่ใช่มันคือศัยศาสตร์มันเป็นทางที่ไม่แยกทางออกจากพุทธินิงนธ์ถ้าเรารู้จักแยกแยกอันนี้ได้เราจะเออเราก็จะส ก, กีไประดับอื่นนะมช่ไหมแต่ระดับปฏิบัติธรรมกเหมือนกัน ก็จะมีสัมนกปฏิบัติธรรมหลายวิธีหลายแนวทางเราก็ต้องรู้จักนะปฏิบัติธรรมมันมีถ้าจะพูดไปมันมีสองสายหลักนะสายหนึ่งเรียกว่าสมถะธรรมฐานอีกสายหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาธรรมฐานสมถะธรรมฐานคือการทําจิตให้สงบวิปัสนาคือการการเจริญจิตให้ เข้าใจความจริงให้เกิดปัญญานะแต่บางทีเราก็แยกแย่าตสมถกับวิปัสสนานะบางทีรูปแบบเนะี่ยมันไม่ใช่แยกกันที่รูปแบบนะแต่มันแยกกันที่การการทําจิตหรือการวางใจนะที่มันถูกนะไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบว่าทําแบบไหนคือสมถะทําแบบไหนคือวิปัสสนา ให้มังคนบอกว่านั่งนิ่งๆดับตาคือสมาธานนั่งยกมือคือวิปัสสนาไม่ใช่นะนันอยู่ที่ใจนะใจถ้าเราไปจดจ อ, ไป จ, อไปจ่องไปบังคับอันนั่นแหละคือคือการทำแบบไปมันจะน้องไปทาสมาธานทำให้เกิดความสงมบมทำให้เกิดความสมมุข สมถะเป้าหมายคือทําให้เกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความสบายแต่วิปัญนาในเป้าหมายคือทําให้เราเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจแล้วก็มีทุกเนี่ยคือแต่บางอย่างมันก็เดินสะดับกันกนะแต่แต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราเราก็จะไม่หลงไม่ติดที่รูปแบบแต่เราจะเข้าใจอ๋อคำสอนแบบนี้คือตอนนี้นัตอน น, อ น, นี้แบบนี้ เน้นแบบนี้คือในบางทีในความโชคดีของเราอะ่ะในเช่นเราฟังทำผ่านยูทูบฟังทำผ่านซีดีอยูน่นนะบางทีตอนที่พระท่านเทศเยบางทีท่านเจ้เทศกับบุคคลเฉก็ะหน้าท่านก็สอนแบบนี้บางทีอาจจะยังไม่เหมาะกับเราในตอนที่เราทำตอนนี้ก็ได้ต้องต้องแยกทายนะบางทีก็ฟังไว้แต่ก็ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะเดิน อะไรคือสิ่งที่เราฟังได้ก่อนแต่ยังไม่ใช่ขั้นที่เราจะปฏิบัติในตอนนี้นะแต่มาอยากจะแนะนำแบบนี้นะเราไม่ต้องสนใจมากเรื่องสมถะแล้วก็วิปัสสนาแต่พูดให้เขา้าเข้าใจคร่ า, าวๆก่อนแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าการจเจริญสตินะหรือการทำความรู้สึกตัว มันจะเรียกว่ามันเป็นต่างๆมันเป็นกลางกางคือมันมีทั้งเรียกว่าทําให้จิตมันสงบมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาภายในตัวด้วยนะการเจริญสติเนะี่ยหรือการทำความรู้สึกตัวเนะี่ยจะเรียกว่าเป็นทางที่ทําให้เราค่อยๆปรับค่อยๆเข้าใจนะเป็นการศึกษาตัวเราเองนี่แหละเป็นการ เป็นทางตรงไปสู่ความออกจากภูมินะเป็นตรงๆไปเลยนะคือไม่ต้องศึกษามากนะเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนพระไตรปิฎกต้องไปเรียนอภิธรรมนะไปเรียนนักธรรมก็ได้นะคือธรรมะนะมีเยอะก็จริงนะแต่จริงเราไม่ต้องไปเรียนเยอะ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราเหมือนเราอยากจะใช้รถเป็นนาะยโยม เราไปเรียนวิธีขับรถนะจากคนที่ขับรถเร็ยนนะเขาถ้าเราไปไปโรงเรียนขับรถอ่ะหรือเราไม่ได้เรียนโงเรียนขับรถจําได้ไหยคิดพ่อหรือแม่หรือญาติที่เราสอนเราขับรถอ่ะคือสอนเกียร์คือตรงนี้อ่าคันเร่งตรงนี้เบรคตรงนี้ถ้ารถโบราณมนะันก็มีค้าตรงนี้ใช่ไหมใช้เกียร์แบบกบนาะเอี่ย ไปดังแบบนี้เดินหน้าแบบนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะ่ะคือสอนวิธีขับรถ <c oughs> ไม่ได้ไปเรียนแบบเชิงแบบหนึ่งเป็นช่างนะไม่ต้องไปเรียนโครงสร้างรถนะเครื่องยนเป็นแบบไหนอะไรเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นต้องเรียนยศ น, นานนะเราเรียนวิธีขับรถแค่นี้นเราก็ขับรถได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนนะเป็นค่ที่ขับคล่อง น, นะ เร า, าเรียนธรรมะภาคปฏิบัติก็เหมือนเรียนขับรถะโยมะไม่ต้อง เ, เรียนมากเรียนว่าทําแบบไหนถึงจะเกิดสติขึ้นมานะเรียนแบบไหนถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาเรียนแบบไหนถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเรียนแบบไหนถึงจะเห็นทุกข์แล้วก็โค่นจากทุกข์ได้เรียนตรงๆนะนะเรามาทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการเรียน เรียนตรงตเรียนตรงตเนียนตรงๆคือมาดูความจริงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเลยดูตรงๆรงนะอย่างเราอย่างเราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือให้เรามาดูร่างกายร่างกายทำอะไรก็ให้เรารู้ตัวให้เราเห็นร่างกายทำอะไรก็เห็นการทำ ขยับขยื Nowadays, ่อนเส้นไว้อะไรแล้วก็มีสติคอยดูร่างกายก็าปวดเราก็เห็นเห็นว่ามันเป็นร่างกายที่ปวดใจมันเพื่อเห็นบางทีก็ไม่ได้เห็นแต่ร่างกายใจมันคิดอ่ะก็เห็นใจมันคิดแต่ถ้าเราไม่เห็นนะมันจะรู้สึกเราคิดเดี๋ยวเราก็คิดดีเดี๋ยวเราก็คิดไม่ดีแต่ถ้าดูดีๆนะ ใจมันคิดถ้าใจมันคิดเนี่ยมันจบนะแต่ถ้าเป็นเราคิดเนี่ยหรือเป็นเราชอบเราไม่ชอบเนี่ยจะไม่จบเพราะใช่ไหมอันนี้เราชอบเราก็จะอยากเจอแบบที่ชอบอันนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากเจอเด็กจะหนีมาแต่ถ้าเห็นว่าอ๋อใจมันชอบใจมันไม่ชอบ มันมันมันเบาเหมืกันเยอะนะคล้ายๆเหมือนเราเห็นคนป่วยกับเราป่วยเองเนะนะฮะอนไหนมันอันนมันทุกข์กันใช่ไหมเราเห็นคนป่วยแล้วก็โอเคเราก็เห็นใจเขานะสงสารเขาอืแต่ถ้าเราป่วยเองเนี่ยมันจะหนักหละหนักใช่ไหมแต่เราเห็นเห็นคนป่วยี่เข้าใจว่าเขาป่วยเข้าใจว่าเขาทุกข์แต่เราไม่ได้ทุกข์ด้วยสติก็ทําหน้าที่แบบนั้นเหมือนกัน เห็นเห็นร่างกายเห็นจิตใจคล้ายๆกับเห็นคนอื่นเขาเป็นอันนี้เราก็มองว่าไอ้ที่มันเป็นคือร่างกายมันเป็นกายมันปวดก็คือกายมันปวดใจมันคิดใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันชอบใจมันไม่ชอบมันคือเรื่องของใจสติจะทาหน้าที่แยกเนี่ยเห็นนะนี่คือวิธีปฏิบัติทำนะเราฝึกตรงนีย กายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ใจคิดก็มีสติเป็นคนรู้ไม่ใช่ว่าเราเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ใช่ว่าเราสุขไม่ใช่ว่าเราทุกข์นะมีสติคอยรู้ที่ปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นอะไรก็ได้บางทีเราคิดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องไม่คิดมันจะต้องสงบมันจะต้องมีแต่ความสุขนะ แต่จริงไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับหรือเราจะไปเลือกได้นะ <c oughs> ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหมือนโดนไปสั่งอาหารนะไปสั่งกับเขาก็ได้กับเขาเนะี่ยไวสั่งผัดไทยก็จะ้ผัดไทยเนะีมันไม่ใช่ร้านอาหารแต่สิ่งที่ร่างกายแล้วก็จิตใจเทาะสะแสดงเนี่ยมันเหมือน เขาแล้วแต่เขาจะทําอะไรให้เราอยู่ถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนพระไปวินทบาทอ่ะไม่ใช่เป็นสั่งอาหารนะคือแล้วแต่ใครใส่อะไรให้เราก็ได้อย่างนั้นแหละเรามาทานนะอารมณ์กรรมฐ า, านอารมณ์ที่เราเห็นในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราเลือกไม่ได้นะนะมันจะดีไม่ดีนะเราเลือกไม่ได้เราก็แค่รู้ มันสุกขึ้นมาเราก็แค่รู้มันทุกข์ขึ้นมาเราก็แค่รู้มันเจ็บขึ้นมาเราก็แค่รู้สิ่งสำคัญกินคือการแค่รู้นะถ้าเรากิงแค่รู้นะสิ่งที่ถูกรู้อ่ะมันมันจะตับให้เราเห็นเลยนะคือมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าเรารู้ตัวว่าเราเปิดปิดอะไรขึ้นมา แล้วเรารู้ว่าไอ้อที่หยิบเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่จําเป็นมันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยพอปล่อยก็คือเหมือนเราเกิดไปคิดเนาะพอเรารู้ตัวว่าเราเกิดไปคิดเนะี่ยมันจะาวางตอนคิดนะอีกก็เป็นอิสระคําว่าคนทุกข์ก็คือแบบนั้นแหละนะนะที่เราเกิดเป็นยึดอะไรกอย่างเป็นตัวตนเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้ตัวมีสติเนะ่ะมันจะวา เนี่ยมันเห็นทุกข์มันรู้ว่าเมื่อกี้มันยึดทุกข์คนมันปล่อยเนี่ยสติเชื่อแบบนียนี่คือทางฝึกลุกนะนะเราลอฝึกแบบนี้บ่อยๆนะฝึกฝึกเจอสติบ่อยๆเราไปจิตจะเห็นทุกขนะ์เห็นความทุกข์เราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้บ่อยขึยยย้นเะรื่อยๆนี่คือการการที่เราฝึกสตนะิมันตรงๆนะ ตรงๆทำให้เราเห็นความจริงของการสนใจเพราะการเจริญสติน่ะนะมันมีเรียกว่าวิสติรู้กายวิสติรู้เวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยที่เกิดขึ้นในใจวิสติรู้ทันจิตนะจิตเช่นมันมีความโกรธความโลภความหลงหรือมีปีติมีสุขเนี่ยคือเปจิต รู้ธรรมะลงนะธรรมะลงก็คือเนื้อในกายเนื่อในใจเยอะๆมากมายมีสติรู้เนะี่ยสติประธานทั้งสี่หมวดรู้แล้วสิ่งสำคัญนะจำดีๆ <c oughs> รู้แล้วมันทำให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ <c oughs> ความพอใจในโลกและความไม่พอใจในโลกก็คือ คือการไปยึดมั่นในร่างกายในจิตใจนั่นแหละเช่นมันสุกขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดนี่คือเราพอใจมันปุ๊บขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากมันเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปเรียกว่าไม่พอใจใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ทันวิสติปุ๊บเห็นเฉยๆุู้แค่รู้เฉยๆถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาเราเห็นนะาเห็นมันไม่ เห็นมันพอใจเรารักความเรารับความพอใจออกไม่ใช่ให้ไปรักความสุขนะะโดยดีความสุขมันจะอยู่นะแต่เรารักความไม่พอใจออกเออเรารักความพอใจออกเนะี่ยมันก็สุขเน่ยก็สุขได้นะบางคนฟังไม่ดีนะพะพุทธเจ้าท่านไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์แ <c ười> ค่มันสุขขึ้นมาก็าทิ้งความสุขไปเลยอนยะ่างนี้ กูขึ้นมาก็รักไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคือรักความพอใจความไม่พอใจในอารมณ์มันสุขขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันสุขเราไม่ไปยึดเราไม่ไปยึดอะไรถ้าความสุขมันหายไปพอเราไม่ยึดเราก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดความสุขความสุขมันหายเราเป็นทุกข์ใช่ไหมรู้สึกไหมเวลาเราเราไปยึดอะไรสักอย่างนะ เป็นยึดคนนรับยึดของที่เราชอบของที่เราดักพอพอเขาจากไปพอของมัหนหายไปเราเป็นทุกข์เลเพราะเรายึดว่าอันนี้มันคือความสุขของเราเมื่อความสุขของเราเมื่อเมื่อวัตถุนี้หรือสิ่ง này, นี้นหายไปเราก็เป็นทุกข์เ yeah. นี่ยเพราะเราไปยึดแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงมันก็เป็นของชั่วคราวเปนของเกิดมาแล้วก็ดับไป ความสุขมันเกิดขึ้นมาคนที่ทําให้เรามีความสุขเกิดขึ้นมาแลาวมัก็จากไปมันก็คือธรรมชาตินะมันก็จะไม่เป็นทุกข์แม้แต่อารมณ์ที่มันไม่พอใจนะมันไม่ดีน่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปผักใส่มันเลยนะความทุกข์เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้มันดับไปอกุศลเองก็ไม่จําเป็นต้องต้องไปผักใส่มันนะแค่รู้ แค่รู้ล่ะมันจะมัได้อยู่คนละส่วนกันพุ๊ก็อันหนึง่งพอเราเห็นทุกแล้วไม่ไปยึดไม่ไปแบะไว้คล้ายๆเหมือนก้อนหินนะโยงนะมันอยู่ของมันแบบนั้นแหละเราไปหนักคือตรงไหนเราจะไปยกมันเราจะไปแบบมันนะนี่คือแบบนี้นะบางทีกูบาาจารนยะ์นะนี่ฟังดีๆฟังไว้แต่ถ้าคน ใหม่ๆอาจจะเข้าใจได้บ้างเลยนะเขาบอกแม้แต่รถเก้าเทียนนะนั่นใช่ว่าแม้เด็กขี้หมาเนี่ยเราก็เคารพขี้หมาเข้าใจไหมให้เคารพขี้หมาคือเคารพคืออย่าไปเดินเหยียบมันอรู้ว่ามันเหม็นรู้ว่ามันคือขี้หมาการเคารพขี้หมาก็คืออย่าไปเดินเหยียบมันให้เลี่ยงต่อไปอันนี้คือ อกุศลก็ดีนะสิ่งที่มันสสโปรกสิ่งที่มันไม่ดีก็ดีนะเราก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราไม่ไปยิ้มมันน่ยมันก็ไม่เป็นไรละนั้นสิ่งสำคัญคือการเจอสตินะี่นอกจากทาให้เราเห็นความดีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในปัจจุบันอะมันจะทำให้เราเห็นความพอใจหรือความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ลกอพอใจละความไม่พอใจตพืนั้น ใจก็จะเป็นใจที่เบาใจที่สบายใจที่เบาจากสมาธิก็เป็นแบบหนี้นะเบาแบบสบายแบบสงบแต่ไม่อยากรู้อะไรอยากอยู่สบายเฉยๆอันนั้นเบาแบบสมาธิแต่เบาสบายแบบมีปัญญาก็คือการไม่ยึดมันเป็นอิสระนะมันเห็นแล้วว่า น, นี่นเป็นภูม เห็นแล้วว่าเนี้ยไปยึดมันม่นถึือมั่นเมื่อไหร่มันหนักมันปล่อยมันวางมันเบาสบายอยู่กันนะมันไม่มันรู้ด้วยปัญญานี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่นสอนเรานะแต่สิ่งทั้งหลายที่มาพูดนะมันก็เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าหรือํำเชิญชวนนะเป็นคำสอนแต่สิ่งสำคัญนี่จริงคืออาจารั์ปฏิบัติเนาะ ให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ก็เรามาเทียบเคียงดูว่าปฏิบัติแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะกับตัวเราเองนี่แหละมันจะเป็นตัวทดสอบว่าเราการปฏิบัติธรรมมันมีผลจริงหรือเปล่านะไม่ต้องให้คนอื่นรับรองแต่เราดูว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันมน้อยลงไหมความยึดมัน่นตื้มั่นมันต้องตรงเปล่าแบบนะีนะ้เนาะการเห็นกิเลสเห็นได้ไวไหมได้ได้ไวไหมแบบนี้นะ มีสติได้บ่อยไหมในแต่ละวันนะอันนี้คือภาคการปฏิบัตินะฝึกนมันเป็นภาคของการฝึกยยมวิชาทางโลกเนี่ยมันก็ต้องฝึกนะทุกวิชาใช่ไหม ม, มันไม่สำคัญนะเดี๋ยวบางทีทางโลกเราเห็นนะเพื่อนบางคนเนี่ยฉลาดนะแต่ขี้เกียจก็เรียนไม่จบก็มีนะ ว่าบางคนไม่ได้ฉลาดมากเนะี่ยแต่มีความขยนันมีความอดทนเนนะี่ยเรียนจบนะประสบความสำเร็จ เ, เยอะไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดของสมองนะแต่สําคัญคือความเพียรนะแต่ก็ต้องเป็นความเพียรที่ที่ถูกทางนะเพียรกับผิดทางก็ลงทางก็มีนะอนะต้องเป็นความเพียรที่ชอบนะแล้วก็มีปัญญาเขกํากับด้วยนะ เนี่ยบางทีเรามีศรัทธาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญามาันจะดวงงงง่ายหรื่บทีเราก็แยกให้ออกว่าที่ศรัทธาเป็นอาจจะเป็นศรัทธาแบบศยศาสตร์ก็ได้นะไม่ใช่ศรัทธาที่เป็นทำดูความเงินทุบก็ได้นะเราต้องมีศรัทธามีปัญญามาจำกัดมีความเพียรที่ถูกต้องด้วยนะมีจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยนะมีจิตที่มีคุณภาพด้วย แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีสตินะสติจะเป็นตัวคอยคอยปรับสมุนต์ตให้เราถูกทิศถูกทางนะถ้าสติถ้าเกี่ยวเหมือนกับรถนะหมายว่าเหมือนกับพวงมาลัยอยู่คอยกํากับ <c ười> คอยกํากับนะทําให้ทําให้มันถูกทิศถูกทางได้นะมันก็จะเป็นตัวมันไปเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆนะกัตธรรมะเกิดอื่นไปด้วยนะ นะก็พูดได้ฟังนะให้เราได้ยินได้ฟังไว้นะเดี๋ยวก็จะได้พาพวกเราปฏิบัติธรรมกันเนานะจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นวยตัวของเราเอง